จเจริญจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องธรรมัญย ส, ตสตูตรในสัตตะกานิบาตของพุทธรณนกายเป็นพระสูตรที่เกิดขึ้นด้วยอธิยาสัยของพระพุทธเจ้าเองคือมีพระประสงค์จะแสดงเรื่องโดงนี้ได้รับสั่งแก่พภิกษุ เพราะว่าในที่นั้นก็มีพระฝังอยู่สิ่งที่เคยบอกไว้ว่าธรรมะก็คือธรรมะในความเป็นธรรมะมันจะมีความสากลจะไม่ได้เจาะจงกลุ่มคนหรือบุคคลตลอดถึงชาติชั้นวรรณะแต่ประการดใดโดยทรงแสดงเป็นใจความว่าบุคคลที่ประกอบด้วยธรรมะเจ็ดประการ ก็เลยชื่อว่าเป็นคนที่มีคุณสมบัติห้าประการดํำบทสังฆคุณน่ยนะครับคือเป็นผู้ควรแก่การไปมาหาสู่ท่านไปคํานับท่านควรแก่การต้อนรับเมื่อท่านมาสู่สํานักควรแก่การพนมมือไหว้ควรแก่การถวายทานบริจาคทาน แล้วก็ถือว่าเป็นนาบุญตัวนี้ท่านท่านสาวชนทั้งหลายคนนึกออกว่าสังก็คุณนี่พอพูดไปพูดมามันเป็นระบบของคุณรำหรือ ท, ท่านบอกวันนี้คือใครคู่แห่งบุรุษสีบุรุษทุคนแปดนี่คือสาวกของมูสาวกของพระภูมิพระพาทหมายความพอพูดไปพูดมาแล้วก็กลายเป็นสาวานะไม่ได้เจาะจงเฉพาะภิกษุ จะเจาะจงขั้นที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรมาถึงจุดเป็นปริยาสาวกมันก็กลายเป็นสักกรมาความท่านเหล่านั้นเองก็อยู่ในฐานะที่ควรแก่การคํานับควรแก่การร้อนรับควรแก่การทําบุญควรแก่การประนมมือไหว้ของบุคคลทั้งหลายอย่างที่เคยเล่าเรื่องอุบาสกที่เรียกว่าจิตตะเกี่ยงบุ ด, ดีหรือแม้แต่นางวิสาขาธารนาตวินนิกาเศรษฐี ก็เป็นคนที่ถือว่าเป็นสิริมงคลสางวริสัทขาคณาธินิกะเศรษฐีใครจัดงานอะไรก็ตามในกรุงสาวรรีถ้าสองท่านนี้ไม่อยู่ด้วยใหญ่ยังไงก็ชื่อว่าไม่ใหญ่แต่ถ้าท่านสองท่านนี้ไปด้วยแล้วแม้จะคนไม่มากก็ถือว่าเป็นงานที่สมบูรณ์ก็สมบูรณ์รดูดุมงคลคุสธศานาจะเป็นเรื่องของคุณธรรม ที่ใครก็ตามสามารถจะน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองจนกลายเป็นที่ยอมรับน้ำถือของบุคคลนั่งหลายได้เหมือนกันข้อแรกนั้นทรงใช้คำว่า ร, รมมันอยู่แปลว่ารู้จักธรรมะธรรมะในที่นี้ทรงเน้นไปที่กลุ่มของธรรมะ ที่เรียกว่านาวังกษัตริย์ตุสานคือคำสอนที่ประกอบด้วยองค์9้าประการการเรียงเป็นวาลนะีนัสสุตตะก็คือพระสูตรต่างๆอย่างเี่นพระสูตรที่บรรยายเนี่ยเกยยะคือพวกคาถาทั้งหลายไวยากณะคือเป็นไวยากรณ์เป็นคำที่มีการรวบรวมแล้วก็นำมาได้เปลี่ยงไว้แลวัยากรณ์นี้เมื่อพ ร, พระผู้มีพระภาคเจ้าสัตยอยู่ในจเนี่ย แล้วก็คาถาเช่นมโนปุปังคมะธรรมาที่เราที่เราได้ยินเนี่ยที่เขาไปอ่านกันในที่ต่างๆคาถาอุทานเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเปล่งอุทานขึ้นตอนนั้นที่จริงไม่มีคนฟัง น, นะก็อยู่ใน ล, ลำพังพระองค์พระเจ้าจกขเปล่งพระอุทานขึ้นเวลามีก็เรียกว่าเกิดขึ้นโดยสมนัศยาน หมาความทรงประรบอะไรแล้วก็เกิดธรรมปีติขึ้นก็จะประรบธรรมเหล่านั้นพวกนี้จะมีตัวทั่วไปพวกแก่พระหันทั้งหลายพระหันเวลาท่านทท่านทบรรลุมรรคผลเป็นพระหันทั้งก็เปล่งอุทานด้วยความชื่นชมยินดีในสิ่งที่ท่านได้สัมผัสในขณะนั้ น, อ, นอุทานอิติวัตตะหมายความว่าเป็นคํากล่าวว่า ข้อนี้พระผู้มีพระภาเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะก็นํามาผู้สอนไว้แล้วก็ชาดกชดกแปลว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเป็นการนําเรื่องราวต่างๆในอดีตของพระพุทธเจ้ามาเล่าถึงการเล่านั้นที่จริงจะย่อ ก, ก็ได้จะพิสดารก็ได้ก็แล้วแต่นะฮะเวลานี้เป็นที่น่ายินดีเมื่อวานมีคนมาบอกว่า การแผ่นดินธรรมก็จะสร้างสาดุกพรทธชาติแล้ก็มาปรึกษามาก็ชี้แนะให้เขาเพราะรู้สึกว่าเวลาสร้างแล้วมันรุงรังจิตคนจะพูดกระเพเวศสันดอร์นขอเดชะฝาทะองฝาละองทุรีพระบาทปกเก้าปกกร ม, ม่อมข้าพระพุทธองค์มันรุงรังมันเป็นกษัตริย์ในชุมภูทวีปนะฮะไม่ใช่ประเทศไทยไม่จําเป็นนะจะพูดอย่างนั้นแบบ ก็พูดในภาษาธรรมดาธรรมดาเนี่ก็สื่อสารให้เกิดความเข้าใจง่ายๆแล้วที่จริงขยายก็ได้นะฮะขยายก็ได้พอเวลาเล่าก็มีเล่าทั้งขยายทั้งย่อย่อเอาต้องการประเด็นสั้นๆหรือหยิบม า, าเฉพาะจุดก็ได้ก็แล้วแต่นี่เรียกวพวกชาดก Shadow ก็คือประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเรื่องราวต่างๆก็นามาเล่า แล้วก็ชารกะเวทันละคือสิ่งที่กล่าวถึงสิ่งพิเศษพิเศษต่างๆโดดเด่นต่างๆพวกอจจร่างหลายกับปูรธรรมนะฮะปูรธรรมก็พวกเป็นคุณสมบัติเด่นๆของพระอานนท์มีอะไรคุณสมบัติเด่นๆของหมหาสมุทรมีอะไรคุณสมบัติเด่นๆของน้ํามีอะไรอะไรนี่ก็จะจะพูดขึ้นมา ก, ก็มีความรอบรู้ในเรื่องตรงนั้น ได้ลองสังเกตว่าสิ่งน่งนี้ที่จริงเข้ามาเข้ามารุ่นๆุ่นม่อย่างนั้นเองแต่พื้นฐานคนฟังไม่มีความรู้มีความเข้าใจบางคนอาจจะเข้าใจผิดได้เพราะฉั้นจะต้องมีสิ่งอย่างหนึ่งเรียกว่าอัตถอัตถันยุตาหรืออัตถันยูแปลว่ารู้จักเนื้อหารู้จักอัตถคือเนื้อหาความหมาย กรอบหรือนิยามของสิ่งเหนั้นว่าสิ่งเหล่านี้หมายความว่ายังไงแล้วก็สามารถที่จะธิบายยุติได้กันโดยนัยยะต่างๆหรือว่าโดยนัยยะใดนัยยะหนึ่งซึ่งตามปกติแล้วเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราพูดแนวเดียวไม่ได้เราก็หยิบม า, าเฉพาะพูดจากมุมหนึ่งแง่หนึ่งแต่นั้นเองก็เรียกว่าโดยปริยายคือนัยยะหนึ่ง มันมีอีกเรื่องเยอะที่ยังไม่ได้พูดแต่ตอนนี้ต้องการพูดเฉพาะเท่านั้นเท่านั้นหลังพูดโดยในยะอื่นก็ได้โดยไม่อาในยะนั้นมาพูดมีก็เรียกปริยายคําสอนบางอย่างนั้นจะลงตัวอย่างนั้นเมื่อจะพูดเมื่อไร่มันก็เป็นอย่างนั้นถ้าอย่างเช่นเช่นพวกอริยสัตว์เนี่ยท่านเห็นว่าลงก็ลงตัวอย่างนั้นละก็ไม่รู้จะว่าอย่างไง ชาติความเกิดเป็นทุกข์เจราความแก่เป็นทุกข์มาหน้าความตายเป็นทุกข์ก็ยังไงก็อย่างนั้นทุกทีนะพูดอีกสักล้านปีขา้างหน้าผมก็พูดอย่างนั้นนั่นก็ไม่จะไหวไงมันเป็นเกามันอย่างนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเข้าใจโดยเนื้อหาของสิ่งตัน้นทีนี้บางชีเนี่ยเราส่วนใหญ่เนี่ยเราเร า, เราไม่ค่อยได้อ่านกันอนะอย่างอย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องกาลาวมาสูตร บางคนต่างพูดต่างคนต่งางว่ากันรอ้างกลมมาลาเมสูตรเลยถามากะลมมาเมสูตรอยู่ในพระใจปิดกเล่มไหนก็ไม่รู้ไม่เคยอ่านไม่เคยอ่านก็แสดงว่าไม่เข้าใจตัวอัธถะไม่เข้าใจตัวเจตนารมค์กรุภูมิหลังของเรื่องแต่และเรื่องมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันไม่คิดตัว ง, ง่ายๆมันจะบหัวจะผหางมันไม่ดูมันดูต้องตลอดคือต้องรู้จักตลอด ที่ทรงใช้คาว่าเข้าใจโดยอัฏถะและพยัญชนะงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดแล้ที่เราสวดนะฮะที่เราสวดนะ่นะหมายความว่าเราจะต้องต้องเข้าใจสิ่งเหล่านั้นทั้งโดยอัฏถะแล้วก็โดยพยัญชนะตีการจะเข้าใจจริงจริงนะมันก็ต้องดูที่ใจเราเช่นเราได้ยินในความเรื่องของของศรัทธาความเชื่อ โดยพุทธภาสิก็ได้เช่นสมมุติเราศรัทธาตั้งมั่นแล้วให้สมเหตุประโยชน์เรานึกดูว่าที่เราทําอะไรประสบความสาเร็จอะไรก็ตามดูเรามีศรัทธาไหมแล้วที่มันมีความล้มเหลวอะไรต่างๆมากมายเนี่ยเราขาดอะไรก็จะพบว่าเราขาดศรัทธาขาดความเชื่อมั่นในตัวเองขาดความเชื่อมั่นในหลักการขาดความเชื่อมั่นในวิธีการขาดความเชื่อมั่นในผลมันขาดไปหมด รา้งั้นแสดงว่าสิ่งเดล่าวนี้ต้องมีแล้วเป็นจริงอย่างที่ทรงแสดงเอาไว้ศรัทธาพอเกิดขึ้นแล้วสามารถขจัดความหลงได้จะขจัดความหลงในตอน แ, กแรกๆคนไม่ใช่ขจัดเป็นอิสระลอยตัวแต่เป็นการขจัดไปเพราะเราไปเชื่อคนใดคนหนึ่ง ฉันยังคเคยยกตัวอย่างว่าเร า, เราเรารับประทานยาเพราะเชื่อหมอเราไปตรวจสอบดูที่จิตเราถามจิตของเราว่าตรงนี้เราเชื่อยาหรือว่าเชื่อหมอเราจะพบว่าเราเราเชื่อหมอแล้วเราดูปัญญาระหว่างยากับหมอว่าเรารู้เรื่องยากับเรื่องหมออะไรดีกว่ากันปรากฏเราเรารู้เรื่องหมอเรารู้คนนี้เป็นหมอแต่ยาเราไม่รู้ พ่าในศรัท ธ, ธาต่อหมอนั้นไม่มีปัญญาอยู่ด้วยถ้าเราไม่รู้ว่าคนนี้เป็นหมอเราก็ไม่กล้ากินะเราจึงเป็นหนาการของศรัท ธ, ธากับปัญญาที่เขาประกบกันเ็าช่วยกันแล้วก็อยู่ภายในใจเราไม่ต้องไปดูที่อื่นนะดูที่อื่นมันก็ยุ่งมาเปล่าแล้วในที่สุดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออศรัท ธ, ธามันเกิดแล้วเนี่ยมันขจัดความไม่เชื่อลงไปได้ จายความคลืดแครงสงสัยลงไปได้นะแล้วก็เอาก็จริงเราก็ให้อะไรแก่ใครได้คนที่เราศรัทธาเราให้ได้เราเสียสละได้เราได้ยินข่าวคราวถึงคนที่แห่กันมาช่วยงานหลวงปู่ล่าหลวงปู่เทศหลวงพอ่อเกษไมไดไรต่อะไร่ก็เราเหนว่พลังในศรัทธา ก็ไม่ว่าอะไรเขาเชื่ออย่างนั้นหรือแม้แต่คนแห่ไปให้หลวงพว่อคูณป้อนอาหารให้ก็ก็ศร <c oughs> ัทธาก็ เ, าเชื่อมั่นมาถ้าเป็นอย่างนั้นนะแล้วมันทําอะไรได้อย่างไม่น่าเชื่อนะอยังกินน้ําล้างมือของหลวงพ่อคูณอะไรตัวอะไรก็น้ำสะดุ้งไปแค่นั้นนะแต่เพราะศรัทธาเขาก็ศรัทธาเขาก็าทําได้ถ้าถามว่าเราทําได้ไหมมันก็ก็ทําได้กุ้ยก็ทำได้ตามบันไตทำทำไมทําไม่ ไ, มได้ ที่เราทำไม่ได้เราไม่เชื่อว่าน้ำล้างมือมันจะแก้ปัญหาอะไรได้อาจจะมีเชื้อโรคอะไรปนอยู่ด้วยแต่ถ้าคนเ็าเชื่อเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาจะไปเขาได้เลยนี้ก็คือการการเข้าใจอัผถะแต่การเข้าใจอย่างนี้มันต้องต้องมีความคิดและอย่าไปคิดข้างนอกตัวนะคิดข้างในใจเราดูที่ในใจเราเราจะเห็นใงการลดการเพิ่มของธรรมะด้วยใจของเราเอง หรือการลดของโทสะสำหรับคนที่เราศรัทธาคนบางคนแม้แต่เขะหัวเราหน่อยเดียวรโกรธแล้วน ะ, ะคนบางคนเราศรัทธาเราให้เหยียบหัวเลยให้ทิบให้ทีบหัวเลยนคนเอาหัวก็ไปหลวงพ่อจะทีบให้ทีบแรงๆหน่อยหลวงพ่ อ, อขอให้ทีบแรงๆคนอื่นตบหัวยังโกรธเลยอันนี้คือเราจะเห็นเอออันนี้เขาศรัทธาเนี่ย อ, อ, อ, อันนี้คือลักษณะของศรัทธา เราจะเกิดเข้าใจธรรมะเพราะธรรมะที่จร er ิงมันไม่มีอะไรมันเป็นธรรมชาติธรรมดาที่มีอยู่ภายในตัวเราทั้งหมดไม่ได้อื่นไปจากตัวเราเลยนะะเพียงแต่ในในตัวเรามันมีไม่สมบูรณ์นั่นเองเป็นความเพียนก็ไม่สมบูรณ์สติก็ไม่สมบูรณ์ปัญญาก็่สมบูรณโกรธก็ไม่สมบูรณ์หรอนะฮะอริสยาหก็ไม่สมบูรณ์หรอกเพราะอริสยาหที่แรงแรงกว่าที่เรามีเนี่ยมันเยอะเลยความโกรธที่แรงแรงกว่าเรามีเยอะก็แสดงว่าเราก็มีไม่ได้เต็มที่อะไรหรอก ดีว่ชั่วก็ไม่มากดีก็ไม่มากฮะจึงเป็นคนๆอยู่เนี้ยแต่ถ้าดีมากชั่วมากมันก็ไม่ได้อยู่ตรงตรงนี้หรอกมันจะไปอยู่ที่ไหนไปแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันเพร์นอัตถะนี่คือเนื้อหาเป็นเรื่องใหญ่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะเราไม่เข้าใจตัวอัตถะคือตัวเนื้อหามันวิธีมันวิธีมันเยอะวิธีมันหลากหลาย แต้าอย่งเนื้อหาเนี่ยมันหนึ่งเดียวคล้ายๆกับธรรมะทั้งปวงเนี่ยมันมันเหมือนกับน้ํามันไหลมาจากสารพัดทิศช่างมาน่ะจากไหนก็ได้พอลงทะเลแล้วมันเค็มหมดอะก็มีรสเดียวแต่นั่นเองผลทั้งหลายที่เราต้องการในทางศาสนาทั้งปวงทั้งอะไรก็ตามนะผลเราอาจจะพูดถึงบิมุติคือจิตที่มันหลุดพ้นจากความชั่วหลุดพ้นจากกิเลสนั่นคือผลหลุดพ้นมากหลุดพ้นน้อยไปด้วย ก็คือความหลุดพ้นจากกิเลสถามว่าพูดอย่างไงเราไม่พูดหลุดพ้นจากกิเลสพูดแต่คนไม่ชอบบอกว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ถามว่าจริงๆนี่ความทุกข์นี่เราหลุดพ้นได้หรือถ้ายังมีกิเลสมันหลุดพ้นไม่ได้เราเพราะความทุกข์มันเป็นผลมาจากกิเลสแต่ถ้าพูดว่าหลุดพ้นจากกิเลสนี่สื่อสารไม่ได้สื่อสารไม่ได้คนคนชักชอบชอบกิเลสอยเพิ่งเกัน แล้วไม่ค่อยรู้จักมันนะมันหน้าตามเป็นยังไงก็ไม่รู้เพราะงั้นถ้าทุกข์แล้วก็พูดกันดูเรื่องท่านก็บอกว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จริงแล้วความทุกข์มันเป็นผลมาจากกิเลสจร่งที่เราหลุดพ้นก็หลุดพ้นจากกิเลสไอตรงนี้มันร้อนรับเกิดก็คือดับไฟที่จริงมันร้อนเพราะไฟอะ่ะแต่เราดับไฟมันก็หายร้อนเองนี้ก็คือก็คือสิ่งที่ที่บางทีต้องใช้ภาษาสื่อสารโดย เว้นก็ความบางอย่างเอาไว้ที่สื่อสารไม่ได้เราก็พูดอย่างเงี้ยแล้วก็พูดแล้วคนฟังก็เข้าใจแต่พอเอาก็จริงเราก็ไม่ได้ไปลดที่ตัวความทุกข์มันความทุกข์มันดับกันเองไงถ้ากิเลสมันหมดอถ้ากิเลสมันลดทุกข์มันก็ลดเองกิเลสดับทุกข์มันก็ดับเองประการต่อไปคืออัดตันอยู่เรียวรู้จักตัวรู้จักตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นใคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่นี้ในพระสูตรเองนะในพระสูตรเองทรงเน้นให้ดูคุณธรรมภายในใจของเราหประการถือว่าค่อนข้างแปลกนะฮะตามปกติเราจะเจอสี่หรือห้าแต่ในพระสูตรนี้แสดงหให้ดูศรัทธาดูศีลดูความความรู้สุตตะของเรานะดูสุตะคือการศึกษาการเรียนการสดัษจบฝึกแล้วก็ดูความเสียสละคือจากธดูปัญญา ดูปฏิพานซึ่งซึ่งนานๆจะเจอปฏิพานเนี่ยนานๆจะเจอเพราะตามปกติธรรมะชุดนี้เป็นธรรมะชุดใหญ่มากนะฮะธรรมะชุดชุดเนี้ยตลรดตะเกิยดศรัทธาศีล ส, ส, สุตตะหรือการศึกษาและเรียนแล้วก็จากทะปัญญาเป็นธรรมะตัวหลักเป็นธรรมะที่ทำให้คนเป็นเทวดาประสบความสําเร็จเป็นสัมปราชิตถประโยชน์ไรจาว่าเยอะแยะไปเลยธรรมะชุดเนี้ยนะฮะสีบ่บังห้ า, างสีบง่บังบ้าบางังตัวนี้มา6 ศรัทธาดูศรัทธาความเชื่อของเราเป็นยังไงดูศีลของเราเป็นยังไงเพราะศีลจริงๆท่านดังหลายจะเห็นว่ามันต้องต้องต้องสำรวมเข้าถึงใจถ้ายัางไม่ถึงใจก็แสดงว่าศีลยังไม่มั่นคงจะต้องเป็นอัตโนมัติคือเข้าถึงใจรักษ า, าได้ถึงใจมันก็ไม่จาเป็นจะต้องสำรวมระวังมากอะไรนะฮะมันก็เคลื่อนไหวไปเป็นศีลเอง ไม่ต้องเกรงต้องเครียดอะไรก็เป็นความจำนี้ชํานาญแค่เราทําอะไรก็ตามที่เราจํนานี้ชํานาญแล้วมันทําได้เร็วแต่ไม่เกรงไม่เครียดไม่รุงรังไม่วุ่นวายอะไรมากการบัดในสีงก็มีลักษณ ะ, ะยอย่างนั้นแล้วสุตตะเนี่ยท่านลองสังเกตว่าเป็นอาการของปัญญาทั้งสามอย่างเป็นปัญญาทั้งสาอย่างสุตตะก็คือการพัฒนาปัญญาสุตตะการเรียนรู้การสะดับต่อฟังการนำมาคิดการจํา เรื่องบางเรื่องแม่นจะถึงกระท่องได้แต่สรุปว่านลัมาคิดจนแตกฉานในเรื่องเราเนี่ยเรก็กลับไปสู่ตรงนู้นเลยนะกลับไปสู่สอ ง, สองข้อค ข, ข้างบนอีกธรรมะชุดนี้ที่จริงในที่อื่นเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าสัพพุริสธรรมองธรรมเหมือนกันแต่ในที่นี้ทรงเรียกว่าธรรมมันอยู่แปลว่าผู้รู้จักธรรมะหรือว่าผู้รู้ธรรม แต่ในความหมายแล้วต้องมีธรรมอยู่ด้วยนะในในความหมายที่ทรงอธิบายเองเฉพาะในตัวประศุ์แล้วก็รู้ตัว ป, ปัญญาความรอบรู้ของเราว่าเรื่องเรื่องนี้เรามีความรอบรู้ขนาดไหนเป็นปัญหาใหญ่นะฮะเป็นปัญหาใหญ่ที่เมื่อวานเมื่อวานวันศืน่อวานเลยนะฮะ ฝังก็ ส, สมัชชาสัมนาเรื่องการศึกษาโอ้บนโลกของจินตนาการโลกก็จินตนาการมันฝันหวานสวยหรูมากเลยนะแต่ทำได้อย่างนั้นจริงๆที่โครงการมันต้องหลายปีโดยใช้งบประมาณมหาศาลมายความว่าอย่างน้อยที่สุดก็4ี่หเซนะฮะ4ี่หเซของงบประมาณแผ่นดินจึงจะ สามารถทำตรงนี้ได้แล้วปัญหาที่ที่คนลืมมองนะฮะคนลืมมองว่าเราจะทำยังไงกับคนที่อยู่นอกนอกระบบการศึกษาที่มีปัญหาเยอะแยะทุกวันน่ยปัญหายากกรรมทั้งหลายเราจะทำยังไงกับคนกลุ่มนี้ซึ่งมีมหาศาลจำนวนมหาศาลเพราะคนอยู่ระบบการศึกษาประมาณสักสิกว่าล้านแล้วนั้นเองย่อชนเรามี 20, 25ล้านนะฮะประมาณ 20, 25ล้านแต่ว่าจริงๆแล้วอยู่ในระบบการศึกษาก็ประมาณ10กว่าล้าน ันคนส่วนใหญ่ที่มันเคลื่อนไหวที่ตัดไม้ทำลายป่าที่ทำอะไรอยู่นี่เราจะทำยังไงก็ไม่ได้มองนะนั่งพยายามตามแล้วก็ฟังวิทยุแต่เป็นเป็นเป็นโครงการที่ดีเพียงแต่ว่าถ้าทำได้นะฮะมันก็ไม่ใช่โรคธรรมดาแล้ ว, ลวมันก็เป็นโรคประสีอนเลยละ เพราะนั่สิ่งสิ่งที่ต้องมองอีกอย่างหนึ่งคือปัญญาภาคใจงานที่ท่านเรียกว่าปฏิภาณปฏิภาณคือการมีไหวพริบการมองสิ่งทั้งหลายเป็นระบบซึ่งเราอาจจะใช้คําในปัจจุบันเราวิสัยทัศน์ก็ได้หมายความว่าพอได้ยินคําอย่างหนึ่งเนี่ยมันมีคําอย่างอื่นอีกเยอะอยู่อยู่เบื้องหลังคําตรงนี้อยู่เบื้องหลังคําคำนี้มันคืออะไรที่เราไม่ใช่บองเฉพาะตรงนี้ เ่ยเงื่อนไขปัจจัยต่างๆตรงนี้มันคืออะไรทำไมจึงสร้างย้ายจากกรุงเทพมาสร้างกรุงทนทำไมไม่สร้างที่ทอยุธยาทำไมย้ายจากอายุธยามาสร้างทีกกรุงทนทำไมไม่สร้างที่กรุงเทพเฉยเลยหรือทาไมไม่สร้างที่อยุธยามันเป็นเงื่อนไขาทางประวัติศาสตร์ทางสังคมทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางความมันม่นคงอุบัติยอะเลยมันเล่นกับหนังสือเป็นเล่ม เอกอะจริงมีหนังสือเป็นเล่มนะฮะคําถามอยู่ตรงนี้ยคำถามนิดเดียวแต่จริงๆแล้วมันมีเงื่อนไขที่เราต้องสึกษาเยอะการเงินเป็นยังไงตรงนั้นการศึกสงครามเป็นยังไงศึกด้านพม่าเป็นยังไงศึกด้านเขมรเป็นยังไงศึกด้านลาวเป็นยังไงโดยเฉพาะด้านเขมรกับด้านเวียดนามเนี่ยเป็นงไงมันมันมันมีเรื่องจะต้องต้องมองอีกเยอะนะนี่คือคือเรียกว่าปฏิพานมีไหวพริบปฏิพานที่สามารถมองสิ่งทั้งหลายที่มันแฝงตัวอยู่ในคำคำนั้นนะนะฮะ เรื่องแฝงตัวอย่างนี้แล้วก็มองอย่างทะลุปลุ่มซึ่งแต่ละอย่างมันจะมีเงื่อนไขปัจจัยของมันที่จะใช้หลักวิชาการต่างๆเข้ามาตรวจสอบนะเข้ามาตรวจสอบได้อีกทั้งหลายหลายเรื่องซึ่งวางเรื่องมาดูหน้าจริงมันดูได้จะจริงแต่เอาข้อจริงมันก็ไม่จริงเพราะมีเงื่อนไขที่ที่เราจะต้องมองที่เราลืมมองนะแต่เราลืมมองไป เรีว่าจุดอ่อนของของคนเนี่ยนะอย่างที่เคยบอกว่าปัญหาที่มีอยู่ในสังคมคนคนมีความริษยากับมีวิหิงสาที่คืออันตรายที่สุด ม, มันเป็นสัญชาตญาณดิบที่อยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกพระเจ้าเองก็อกมองไปตั้งแต่ต้นนะโลกมันเบียดเบียนกันจังทําไมเบียดเบียนก็เป็นสุขแล้วแต่เบียดเบียนกันจัง เพราะการเบียดเบียนที่มีพื้นฐานตรงนี้แล้วก็อัตตามันก็ใหญ่ต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นเฉพาะตัวเองเพะคนอื่นมีคนอื่นได้คนอื่นเป็นเข้ามาก็ริษยาพอริษยาขึ้นมามันก็จบนะนะดังนั้นถ้าเกิดขึ้นจากการเราไม่รู้จักตัวเราบางทีที่เราริษยาเขานี่ให้เราทาเราก็ทาไม่ได้ให้เราเป็นเราก็เป็นไม่ได้ แล้วบางทีเราก็ไปเศษเงื่อนไขต่างๆมากมายนะฮะเงื่อนไขต่างๆมากมายอย่างพวนักวิชาการเนี่ยเขาด่ารัฐบาลตลอดลองลองสังเกต ด, ดูฮะนักวิชาการเนี่ยตัวเองก็แค่สอนหนังสือในโรงเรียนนะสอนเก่งๆจริงก็เปล่าก็ไม่รู้นะฮะแล้วถ้าทําจริงเนี่ยทำได้หรือเปล่าเขาเขาไม่ได้คิดเขาไม่ได้มองที่ตัวเนี่ยก็ขาดอัตตาเขาไม่ได้มองศรัทธาไม่ได้มองศีลไม่ได้มองการศึกษาไม่ได้มองน้ําใจไม่ได้มอง ปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปฏิปานที่มองทุกจุดตรงนั้นได้โดยรวดเร็วนี่เรียวกว่าอัตตัญญูตาแล้วก็ทรงเน้นนะฮะนี่คือความมีธรรมันญุตาอัตตัญญูตาอัตถัญญูตาจะย้อนกลับมาทีละข้อทีละข้อเรื่อยนะฮะอธิบายข้อต่อไปแล้วจะย้อนกลับไปอีกสองข้อคือสรุปว่าไงแปลว่าธรรมะนี้ที่จริงพึบเดียวต้องใช้หมดพรึบเดียวต้องใช้หมดถ้าใช้ไม่หมดมีปัญหาทันทีเลย มันจะเกิดจุดบอดมันก็คล้ายๆกับเครื่องเครื่องยนต์ต้องทํางานทันทีหรือเราลุกขึ้นเดินเนี่ยอวัยวะทุกส่วนต้องทํางานทันทีเอ็นกระตุกนิดเดียวกูก็เดินไม่ได้ทุกส่วนต้องทํางานพร้อมกันแล้วก็ประสานกันเป็นอุปสรรคอะไรสักจุดไม่ได้หน้ามืดนิดเดียวก็เดินไม่ได้แล้วเส้กนกระตุกนิดเดียวก็ไม่ได้แล้วชาอ ย, อยู่หน่อยเดียวก็เดินไม่ได้เลยนะฮะทุกอย่างต้องพร้อมกันนะหยุดไม่ได้นะสะดุดนิดเดียวมีปัญหาทันที และการต่อไปก็คือมัดตันยุตามัดตันอยู่นะในที่นี้ต้องใช้คำว่ามัดตันอยู่แปลว่ารู้จักประมาณรู้จักความเหมาะของควยปริมาณในที่นี้อย่สอในแนวปริยายนะปริยายคือในยะเดียวในยะของการรับและจึงคนเราไม่ได้รับอย่างเดียวนะไมได้รับอย่างเดียว ถ้าเราส่งส่งเน้นไปที่ตัวภิกษุแต่ทีนี้เวลาอธิบายเนะีเวลาเราจะอธิบายเราต้องมองมาที่อื่นเนี่ยว่าว่าอย่างไงด้วยจริงๆแล้วเวลาพระเจ้าเทศทธรไม่เทศหมดแล้วนะฮะเทศเฉพาะปริยายแต่นั้นเองปริยายหนึ่งปริยายหนึ่งอย่างยกตัวอย่างเช่นคันติเนี่ยคันติทำไมาเราว่าได้ทั้งสแต่พระเจ้าว่าทีละคันตินะฮะว่าทีละคันติแต่นั้นเองคันติอะไร อธิว่าสะนะขันติตีติขาขันติอะไรแะไรเนี่ยว่าไปตัวขันติตรงๆปะปะขันติอะไรเนี่ยแต่มันจะอยู่ในที่ต่างๆมันอยู่กัละแห่งกันเวลาเราพูดถึงขันติเราต้องนึกว่าโดยปริยายเนี่ยต้องแสดงอย่างนี้ที่อื่นต้องแรงว่าไงเวลาเรามาพูดเราต้องมาพูดได้หมดเอามากลึนใชนะเพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจในในแง่ในมุมต่างๆ ถามว่าใครรวบรวมไว้จริงๆเราไม่ได้รวบรวมเองนะพระรตักษาจาร์นรวบรวมให้ก็ต้องกระดึงมาตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเราจึงเห็นปริยายธรรมะต่างๆเช่นสมมุติอนัตตลกานาสูตรให้ให้ใหใหใหลองสังเกตผู้เจ้าทรงแสดงความเป็นนัตตาในแง่ที่เราบังคับไม่ได้เราบังคับไม่ได้ บังคับไม่ให้รูปมันแก่มันเจ็บมันตายนะบังคับบังสอนประเด็นเดียวนะสอนประเด็นเดียวเจ้ามุอันลตามูุ้ธตกรประเด็นนะ่ะมันมีอยู่หลายๆประเด็นเพราะฉะนั้นประเด็นในการรับทรงเน้นไปที่ปัจจัยสีให้รู้จักประมาณในการรับได้ลืมว่าในในที่อื่นพูดถึงปริมาณในปริประมาณในการบริโภครู้จักประมาณในการบริโภค การไปพกท้ายสอนปัจจัยสี่จะเป็นอาหารจะเป็นที่อยู่จะเป็นเครื่องลุงข่มจะเป็นยาอะไรแต่ต้รู้จักประมาณแล้วรู้จักประมาณในการสละเห็นไหบางคนทําบุญจนจนเลยไม่ได้แล้วพระเจ้าไม่สอนศาสนาพูดไม่สอนคนทําอย่างนั้นต้องสละทรัพย์ตามกําลังที่จะสละได้แล้วที่สําคัญอย่างยิ่งคือต้องมองผลจะสละต้องมีความสุข ไม่ใช่ทําบุญไปแล้วมือกายหน้าปากเออแหมเสียดายนี่ยข้าวสารยังไม่ซื้อทําบุญหมดเลยอย่างนี้ไม่เอาอะ่ะพุทธเจ้าไม่สอนอย่างนั้นสอนให้ทําบุญคือสละกิเลสต้องการมาบัดทุกต้องการจะสร้างบา ร, รมีตัวเองไงก็ว่าไปแล้วแต่ว่าไม่ใช่ทําไปแล้วกลับได้ทุกเพรา ะ, ะ น, นต้องรู้ต้องรู้จักปริมาณการเสียสละและบางคนเนี่ยท่านท่าท่า น, ท, า น, ท, านท่านไม่รู้จักประมาณ มันศรัทธาท่านท่านเปี่ยมดนอย่างที่เคยล่าว่าพระริยบุคคลระดับระโสดาสกษษษษษษษิตาคาเนี่ยฮะท่านศรัทธาท่านไม่ดูท่านนั้นไม่ในในคิดจะกินพอเห็นพลายยิ่เจ้าเราโอ้ยถวายหมดเถ้ายากจนสกุลยากจนผู้เจ้าสั่งไว้เลยอย่าไปรับอย่าไปบินตบาทที่บ้านกขาเดี๋ยวก็ตักข้าวเดี๋ยวอดข้าวกันเว้นไว้แต่เขานิมนต์เขานิมนต์ต้องไปนะฮะต้องไปฉลองตาตาเขาแสดงว่าเขามีกรรมะ มีก็ลังที่จะสละได้ก็ไปรับเขาฉลองสถาคเขาแต่ถ้าไปเดินบิณฑบาตแล้วถ้าเขาอยากจนอยไปเดี๋ยวก็ตักหมดอดเข้าวลำบากดังนั้นจะมือปริมาณในการแสวงหาปาริมาณในการรับเห็นไหมทิศทางการแสวงหาถ้าเกินไปก็เป็นมิจฉาชีพตัดไม้ทําลายป่าใดๆเนี่ยฮะทําลายทรัพย า, ากรธรรมชาติเนี่ยมันไม่มีปริมาณไม่รู้จักประมาณในการแสวงหา ขออนุญาตต้นไม้ตัดป่าไว้เพียงร้อยไร่มันตัดไปทั้งสองสามร้อยไร่ยังไงมันมันมันไม่ไหวมันมันทำลายมันมันผิดอะไรเยอะแยะมาเถอะตกลงว่าปริมาณของการแสวงหาปริมาณของการรับปริมาณของการพวกใช้สอยปริมาณของการแม้จะเก็บปอมเนี่ยฮะเก็บก็ต้องเก็บแต่มันไม่ใช่เก็บไปมากเกินไปตลอดถึงรู้จักประมาณในการสละในการบริจาค ในที่นี้ก็เน้นปริยายเดียวเน้นที่ปริมาณของการของการรับประการต่อไปก็คือการนะการลัมยูตากาลากเทสตอนนี้พูดเฉพาะการเพราะจริงเวลากับสถานที่นั้นเขาก็าติดกันอยู่นะเวลากับสถานที่ไม่ได้แยกออกจากกันพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้แต่บางทีเนี่ยเขาต้องการพูดเพื่อให้รู้เช่นก็รายงานอุณภูมินะฮะ เวลานี้นะอุณหภูมิที่จังหวัดเลยนะเท่านั้นองศาเซนเซียดอะไรต่เวลานี้ต้องบอกเวลาด้วยสถานที่ด้วยที่อื่นไม่รับรองนะฮะที่อื่นเราไปรับรองก็ไม่ได้เพราะอุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็เวลาเดียวกันนะัเนเด็กสถานที่อื่นมันมันก็ไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดเขาต้องการในกระับก็ยังพูดเวลาและสถานที่เอาไว้เดี๋ยวก็ ร, รับผิดชอบเฉพาะเวลานั้ น, น่นนะฮะ เลยไปอีกต่อขาวนาทีมันอาจจะลดอาจจะเพิ่มเวลาเราร ก, ก็ไม่รู้เราก็บอกได้เฉพาะเวลาเพราเวลานี่ว่าให้รู้จักกาละว่าเวลานี้ควรจะทจาําอย่างนี้เวลานี้ควรจะทําอย่างนี้วลา น, นี้ควรจะทจาําอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติตนให้เหมาะสมสอดคล้องแก่เวลาแล้วก็ดึงกลับมาอีกนะอันนี้ก็คือความรู้จักธรรมะนี้คือการรู้จักอัดนี่ก็คือการรู้จักตนนี่คือรู้จักประมาณ น, นี่คือรู้จักการก็จะดึงกลับมาอีก แล้วต่อไปก็มาพูดถึงรู้จักกลุ่มคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นจริงมาเป็นศาสตร์เลยนะเป็นศาสตร์แล้วเราจะเห็นว่ามันมีวัฒนธรรมมีขนมธรรมเนียมประเพณีมีศาสนามีคตินิยมมีความเชื่อถือมางแฝงอยู่เบื้องหลังวัสมาคมนี้เราเข้าไปในปฏิบัติตัวยังไงนั่งยังไงยืนยังไงไพูดยังไงจะไหว้หรือจะจับมือหรือจะทําอย่างนี้มันมันมั น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาก่อนนะครับ มันยากในการโต๊ะอาหารจะทํายังไงจะจับยังไงโอ้มันก็ยุ่งยงุไม่จเจริญ น, นะมันก็กลายเป็นศาสตร์ที่จะต้องศึกษาจะต้องสาสตที่จะต้องฝึกปรืออบรมเพื่อจะทําให้เหมาะสมสอดคล้องแก่กลุ่มคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องบางทีเันดีในจุดนี้แต่อีกอีกจุดหนึ่งมันเกิดมีปัญหาตรงนี้จึงกลายเป็นเรื่องที่จะต้องมีความรอบรู้แล้วก็ปฏิบัติให้เหมาะสมแก่แกอะไร กลับไปที่ที่เดิมนตรงนี้บางทีจะแปลอีกสองอย่างคือเหตุผลนะฮะธรรมัญญาตาไปรู้จักเหตุอันธนุตาไปรู้จักผลในขณะเดียวกันก็แปลว่ารู้จักธรรมะแล้วกับรู้จักเนื้อหาของธรรมะทั้งสองความหมายถ้ายิงก็คือเหตุผลด้วยกันนั่น ก, ก, ก, ก็เป็นเหตุเป็นผลด้วยกันเพียงแต่ว่าจะเน้นโดยประยายนะตรงนี้ มันเป็นเรื่องกับจิ ต, จตวิทยามวลชนอยู่ด้วยนะว่าภาษาที่เราใช้นะกลุ่มนี้ใช้ได้กลุ่มนี้ใช้ไม่ได้ภาษานี้คนนี้พูดได้คนนี้พูดไม่ได้หลวงพ่อคูณ น, นะนั่งเทศแต่ก็นั่งยองๆเทศเราไปนั่งยองๆเทศกับพังเลยเห็นไหมฮะมันมันมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องเฉพาะอะไรแตกต่างมันมีมันมีเงื่อนไขต่างๆเยอะ เพราะงั้นการรู้จักตัวเองรู้จักการรู้จักกลุ่มคนรู้จักรู้จักบริษัทนั้นทรงใจ้คำว่าเป็นัจจุตาคือกลุ่มคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วข้อสุดท้ายปุ ค, คโลปะระปรันยูตารู้จักบุคคล น, นะว่าใครเป็นใครแล้วควรครบหรือไม่ควรคบค ว, รครบควเกี่ยวข้องตรงตรงตงนี้จําแนกพิสดารไม่เคยเจอเลยจำแนกพิสดารแล้วทรงซอยออกไปเรื่อยนะทรงซอยไปเรื่อย ก็คนเนี่ยในโลกนี้จะจับสองแล้วแยกเป็นหนึ่งนหนึ่งนั้นจะแยกเป็นสองเรื่อยนะฮะจับสองแล้วก็แยกเป็นหนึ่งแล้วจะหนึ่งนี้จะแยกเป็นสองแล้วซ อ, อยออกไปเรื่อยๆจนไปถึงจุดสุดท้ายว่าหนึ่งคนในโลกนี้มีสองประเภทต้องการเห็นพระอริยะก็มีไม่ต้องการเห็นพระอริยะก็มีในคนสองกลุ่มนี้คนไม่ต้องการเห็นพระอริยะถูกติเตียนในกรณีนี้ในกรณีนี้นะในกรณีที่ไม่ต้องการเห็นพระอริยะ choke. คนที่ต้องการเห็นพระยะได้รับการยกต้องสันสืบในกรณีนี้แต่คนที่ต้องการเห็นพระยะก็มีเป็นงสองประเภทออกเป็นสอประเภทอีกคือต้องการเห็นด้วยและต้องการฟังธรรมะด้วยคนหนึ่งต้องการเห็นแต่ไม่ต้องการฟังเพราะคนที่ต้องการเห็นแต่ไม่ต้องการฟังนั้นจะถูกติเตียนในกรณีที่ไม่ต้องการฟังไปหาท่านทำไรไปขอหวยได้ไงแะคนยดติ มีตินี้พบพระอญญาริยะทังทีไปขอหวยนอกเรื่องนอกเรื่องนะฮะแล้ก็เหมือนจะต้องการมังคุดจากผลธุเรียนจ า, จากต้นทุเรียนน่ะมันไม่ได้อะ่ะมันมั น, มนมพระอญญาริยะท่านไม่บอกหวยหรอกทีนี้คนที่ต้องการพบพระญาติโดยต้องการความธรรมะโดยการรับการยกย่องสรรเสริญเพราะทั้งสองกรณีนะทั้งทั้ ง, ท, งทั้งกรณีที่ต้องการพบพระญาติและในกรณีที่ ต้องการฟังธรรมจากพระยะทีนี้คนฟังธรรมนี้ก็อีกอะ่ะคนควงธรรมแยกเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งฟังธรรมด้วยความสนใจด้วยความตั้งใจธรรมนะอย่างที่ทรงแสดงโดยพระยายื่นว่าในขณะฟังธรรมก็เงี่ยหูลงฟังกําหนดข้อความพิจารณาข้อความจนะานวนบาลีนี่มั น, มนเคลื่อนไหวไปรูปธรรมนะครับ บุคคลมีศรัทธาเข้าไปหาสัตบุรุษเมื่อเข้าไปหาก็นั่งกลายเมื่อนั่งกลายก็ฟังธรรมในขณะที่ฟังก็เงียหูลงฟังกําหนดข้อความพิจารณาข้อความที่ ท, ท่าน ท, ท่านสัตบุรุษท่านท่านแสดงในขณะนั้นส่วนบางคนก็ฟังไปอย่างนั้นแหะฟังไปอย่างนั้นต้นแนวอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะฮะนั่นฟังอันนี้คล้ายๆการรวมคล้ายๆกรารแสดงรวม แา้จริงเราเราจะพบผู้คนนี้ในที่อื่นในที่อื่ น, นจะจะพบแต่ว่าพระพุทธเจ้าจับมาเรียงเองเนี่ยยังไม่เคยเจอก็มาเจอในพสุตเนี่ยจับมาเรียงไว้เองเลยทีนี้ในกรณีคน ท, ท, ที่ที่ฟังทมแล้วคิดเนี่ยนะฮะมันก็แบ่งเป็นสองประเภท ฟ, ฟังฟังไปแล้วตั้งใจฟังคิดปพินาาิจนาไปคนบางคนก็เพียงด่คิด แต่ไม่ได้นําไปประพฤติปฏิบัติคนบางคนนีคิดแล้วนําไปประพฤติปฏิบัติโดยเพราะนั้นคนที่เพียงแต่คิดแต่ไม่นําไปปฏิบัติจะถูกติเพราะในกรณีที่ไม่นําไปปฏิบัติในกรณีนี้นะในกรณีฟังในกรณีเข้าไปหาปริยัติในในในกรณีต้องการอินทรียะเขาไม่ติหรอกเด็จะติในกรณีนี้ให้เราสังเกตพระเจ้าใช้กรณีนี่คือหลักไม่ใช่ติแบบเหมาหลว ไม่ยติแบบหโหลเลยนะโกรธอะไรโกรธโกรธนายยอดชัดก็โคดมดาพระหมดทั้งประเทศมันเกินเหตุเกินผลไปคนน่ะไอเนี่ยในกรณีคนนี้ก็คนนี้นะเราก็เราก็ติเฉพาะคนเนี่ยที่จริงต้องติเฉพาะกรณีนั้นเท่านั้นเองติเฉพาะกรณีนั้นเท่านั้นมันไม่ใช่ไปติคนทุกกรณีในกรณีเขาดีก็คือเขาดี ในกรณีเขาไม่ดีก็คือเขาไม่ดีมันก่อนมาเขียวก็คือเขียวแดงก็คือแดงไม่ใช่ตาบอดสีก็วาไปตามสีนะบางคนมันหลายสีก็วาไปทุกสีอย่างเสื้อบางตัวเองไหมมี ม, มี้งหลายสีเรา ก, ก็เร่ ม, มองเฉพาะสีเดียวไม่ได้มองไว้เฉพาะคนนี้สวมเสื้อดำมันก็ไม่ไดมาอ่ะมันมีขาวอยู่ด้วยอ่ะ ม, มีสีอื่นอยู่ด้วย นี้ก็คือลักษณะเป็นการหมองแล้วทรงใช้กรรมกรณีนี้นะฮะในกรณีนี้เจ้าอกรณีทีนี้คนที่นําไปปฏิบัติเดี๋ยก็อีกครับบางทีก็ปฏิบัติในลักษณะเทนสองบาทปฏิบัติไปงั้นเองเนี่ยไม่เมืด่ดรู้เลยซึ่งบื่อไปบัตไปเรื่อยเอ า, เอ า, เอาตอนตอนนี้จะปฏิบัติธรรมะแล้วซึ่งบางทีเนี่ยเราเร า, เราไม่เข้าใจสมเด็จรามนาเคยมีหลายรหัสตำหนิ แล้วญาติโยมยังหลงทางเยอะๆนะฮะญาติโยมหลงเชียพระโอ้หลงพ่อฉันท่านไม่เอาธรรมนายยศักทําตาแหน่งนาฏิกงานสมภารดังก็ไม่เป็นคนขี้เกียรติราบไยกย่องทําอะไรไม่เอางานเอาการไปศาสนาคนขี้เกียรติไม่ใช่คนดีอะไรอะฮะเรานึกดูพระพุทธเจ้าทํางานหามรุ่งหามค่ำศาสดาเราทํางานหารุ่งหามค่าแต่ลูกศิษย์มานั่งเฉยๆนอนเฉยๆไม่เอาอะไรอะไม่เป็นกำพานิชยไม่ทัดไม่เทศท่านไม่ซ้อนท่านไม่ทําอะไรไม่เอาอะไรเลย ไม่เอาทั้งอ่าวทั้งฐานนาคีเท่าเหมือนคนไม no ่มีสาระอะไรไปโดวยกย่องกันแทบตายคนไม่มีสาระนะคนพวกนี้ยแต่เรายกย่ององนี้นะแล้วเราดูศาสตาดูพระพุทธเจ้าดูพระหันท่านเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราทาไมเป็นนี่ศาสตราเราไม่ได้เป็นศาสตราเราทํางานหามลุ่งหามข้ากลางคืนเนี่ยทำงานเนี่ยไปนอนตอนแบ่งเป็นสามยามยามนสี่ชุ่หโมงพระเจ้าไปนอนในยามกลางตื่นในยามปลาย กลางคืนก็พักแค่สี่ชั่วโม ง, งนั้นเองขยันไม่มีใครเทียบหรอกทำงานตั้งยี่สิบชั่วโมงลูกศิษย์ไม่ทำอะไรกราบกายเป็นที่ยกย่องสรรเสริญทังคนนี้ก็คือก็คือค อ, อะไเป็นผู้ศึกษาธรรมเห็นไหมฮแล้วก็น้อมนำธรรมะมาปฏิบัติแต่ปฏิบัตบิไม่เป็นปฏิบัติธรรมะไม่เป็นปฏิบัติธรรมะที่เป็นนั้นคือปฏิบัติธรรมสมงวรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามทำในกรณีทำอะไรควรจะทำยังไงอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นแก่พระศาสนาวันก่อนก็ไปอธิบายให้พระฟังเพราะมีพระต้องาบัฏประราชิกอยู่ในโบสถ์พระพุทธเจ้าจไม่ลกปฏิโมกแต่ก็ศาสดาในเะมือก็พ่อนะไปจะไปเอาลูกแรงๆก็น่าเกลียด การนุนไปนี่บนสองสามครั้งครั้งที่สามรัสั่งอานุนบริษัทไม่บริสุทธิ์ไม่ได้บอกเจาะจงใครแล้วนะฮะบอกว่าบริษัทไม่บริสุทธิ์พระโมคคัลลานะท่านกำหนดด้วยจิตท่านดูว่าใครต้องอบาบัติเท่าไหไปถึงบอกว่านี่คุณคุณต้องอบาบัติเนะี่ออกไปอันนี้ทําวางมาตเฉยไม่ยอมออกไปจับกรนชากเลยนะพระโมคคัลลานะแก่แล้วนะตอนนั้นตอนนั้นแก่แล้วนะยื่นเอานะฮะ อันนี้คืองานพระศาสนาเห็นไห้ไม่จะนั่งเฉยๆนั่งหลับตาไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้หรอกมันมันคนละเรื่องกันพระเจ้าเสียงพระไม่ได้พร้อนเรียกมาทันทีแล้วบางทีที่เคยเล่าให้ฟังนะที่ที่พระคุยกันดังที่บุพารามให้พระโมคคัลนะใชา้ฤทธิ์เขย่าปราศาสบุพารามพระไอ้มิคารามาตาพระก็เจิงวิ่งกันพลันหมดเลยนึกว่าแผ่นดินตลุ่มอันนี้คือคื อ, ค, อคือเป็นมาตรการเป็นวิธีในการฝึกคน ไม่ได้ใช้วิถีใดวิธีหนึ่งแต่หมายความว่าเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่กรณีท่านๆอยาามีละเอียดมีหยาบตามโดยละเอียดหรือละเอียดได้เลยก็แล้วแต่แหละเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมทีนี้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอีกแหละบางทีมันก็บาดเพื่อประโยชน์แก่ตัวเองนะเพราะฉะนั้นคนเหล่า น, นี้จึงแบ่งออกเป็นสองปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบจริงปฏิบัติตามธรรมจริงแต่ว่า มุ่งประโยชน์เพื่อตัวเองถ้าเหล่านี้จะถูกติในกรณีนี้ทีนี้ท่านพวกหนึ่งปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบจริงแล้วปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนเองและประโยชน์แก่ผู้คนอีกคนเหล่านี้ได้รับการยกย่องทั้งสองกรณีคือกรณีที่ปฏิบัติเพื่อตัวเองและปฏิบัติเพื่อบุคคลอีกเห็นหมาให้มายุติด้วยหลักตอนสุดท้ายของพุทธธรรารัตที่ตัดไว้ก่อนนิพพาน ว่ามาเรื่อยนะว่ า, าเรื่อยทีละสองทีละส อ, งสอ ง, สอ ง, งสองแยกหนึ่งสองแยกหนึ่งสองแยกหนึ่งแยกมาเรื่อยแล้วก็เหลือหนึ่งเดียวคือคนที่ใช้ชีวิตเป็นประโยชน์เพื่อตอนเองและประโยชน์เพื่อบุคคลคือจับหลักอย่างอย่างที่เคยเล่าโยงฟังนะว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยโดยโด ย, โดยโรูปธรรมนั้นว่าอยู่ที่พระพุทธคุณ อยู่เรียกพระพธคุณทั้งหมดเลยไม่ไว่ามาจากทางไหนก็ตามอาการที่เป็นรูปธรรมอยู่ที่พระพุทธคุณคือรู้สมบูรณ์บริสุทธิ์สมบูรณ์กรุณาสมบูรณ์พระอรหันต์ท่านเรียกว่าอนุพุทธคือรู้ตามพระพุทธเจ้ารู้เห็นตามพระพุทธเจ้าเห็นบริสุทธิ์ตามพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์จึงเรียกเหมือนกันได้ว่าขีนาศพเหมือนกันเรียกว่าหมดอาสวะไม่มีกิเลสเครื่องหมักหมมอยู่ภายในใจเหมือนกันแต่อย่าลืมว่าตรงเนี้ก็กลับ เ อ, เอา6ข้อข้างบนมามาใส่นี้ชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมัญยูอัถถัญยูอัตัญยูมัตัญยูการัญยูบริสันยูนะฮะละปกคาะปาโรปารั น, รรรนยูให้ลองสังเกตที่จริงเรื่องเดียวนะฮะสังเกตนะฮะธรรมะนี้เรื่องเดียวแต่นีงรู้คําเดียวคือปัญญาหมายความว่าไงหมายความเป็นชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญา พัฒนาปัญญา sposób. แล้วก็มีป <So> ัญญาแล้วก็ใช้ปัญญาทันหมายความใกล้ๆกันเราสร้างความรู้ขึ้นมาเราก็มีความรู้เราใช้ความรู้ได้เห็น่าใช้ความรู้ได้ทํางานนั่งได้ทางานนี้ก็ได้ทํางานนั้นก็ได้มันก็ไปทั้งหมดของความรู้อะทั้งหมดที่ใช้คือความรู้ทั้งนั้นเนี่ความรู้จากไหนจากโน่นจากเรียนมาสมัยเป็นเด็กๆต่อกัมาเป็นแถวเรียนอนุบาลก็มีนะแต่ตอนตอเราใช้งานเนี่ยปนๆกันไปกันแต่ปัญหาสำคัญอยู่ในภาคของการใช้งานทีนี้ ธรมะเหานี้อย่างที่บอกภาคปฏิบัติคมต้องมีครบทั้งเจข้อมีปัญหาข้อใดข้อหนึ่งจะมีปัญหาทันทีเช่นเช่นสมมติว่าเราเราเนี่ยเราอะไรดีละ่ะเจริญกรรมฐานก็ได้สมมติจะเจริญกรรมฐานนั่นอัตตัญญาตารู้จักตัวเองเราเนี่ยว่าเราเป็นพุทธศาส น, นิกชนน่ยมีเหตุผลที่จ ะ, จะเจริญกรรมฐานแต่พอดีไปจเจริญกรรมฐานในเวลานั่นนงกินข้าว กินข้าวทำงานนั่งเจริญกรรมฐานเวลาเวลางานนั่งสมาธิเลยโอ้เสง่ามากเลยประเดี๋ยก็โดนไล่ออกเห็นนะมประเดี๋ยก็โดนไล่ออกมันผิดกาละมันผิดกาละมันผิดสถานะของเราถามเหตุผลใช้ได้ไม่เห ต, นะเหตุผลใช้ได้ใช้ได้นะเหตุผลใช้ได้แต่เวลามันไม่ให้ความเหมาะความควรไม่ได้นะะกาละไม่ให้เวลาเนี่ยเวลาไม่ให้สถานะของเราไม่ให้ความเหมาะความควรไม่ได้ ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เกิดมีปัญหาเกิดมีปัญหาในภาคปฏิบัติเพราะงั้นเวลาพระเจ้าทรงใช้ใช้คำว่าปฏิบัติธรรมสงฆ์เกิดทำหมายความว่าคุณอย่าไปคิดว่าคุณปฏิบัติธรรมะแล้วจะถูกต้องเสมอไปบางทีมันมีจุดบอดอย่ันที่เคยบอกว่าที่เรมชอบพูดอะทําความดีไม่ได้ดีอะไรนีชอบพูดมากไงชอบพูดมาทําดีไม่ได้ดีแต่ที่จริงดีนี่มันคืออะไร ดีมันอยู่ที่พอดีเห็นไหมฮะดีอยู่ที่พอดีดูดูง่ายๆเนี่ยมันมันมันมันอยากจะเนี่ยนะเอาเนี้ยปากกาเนี้ยก็ได้อะไรก็ได้ที่ที่ที่เราเราสกรูอะไรนใส่ใส่ในนี้อะไรนี่นะะหรือว่าเอาไม้มาประกบกันอะไรต่างๆนี่หรือว่ากเบื้องมาปูอะไรก็ตามนะฮะมันต้องพอดีพอดีถ้าถ้าถ้าเลื่อมกันอยู่หรือสูงต่ำกันอยู่ สูงทำกันอยู 1, bon ่อันหนึ 1, so, ่งบางอันหนึ 1, <No. S 2> ่งอันหนึ่งหนาอะไรแต่ไรนี่ฮะอันหนึ่งใหญ่อันหนึ่งเล็กเนี่ยมันไม่พอดีมันเก็ปลูกกันไม่ได้พอดีก็คือต้องลงตัวพอดีถ้าน็อตก็สกรูหลวมไปนิดก็ไม่ได้นะโตไปเล็ก็ไม่ได้เล็กไปนิดก็ไม่ได้เอาไม้มาประกบกันก็เหมือนกันแหว่งไปนิดก็ไม่ได้นี่ลักษณะพอดีทั้งหมดให้ลองดูนะฮะลักษณะของการพอดีแล้วได้ยังบอกว่าทำดีให้ถูกที่ เนอันนี้นี่นี่คือภาคใช้งานแล้วแล้วท่านเอาไปพูดแค่แค่สี่อย่างแต่นั้นเองทาดี้ถูกฉีที่ไหนที่เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญวัาสถานที่ที่เรียกว่าเข้าที่ข้าทาข้าทางนะข้าตาข้าาภาษาไทยเรานำมาใช้กันมาข้าทาข้าทาเอ้ยมันทํานี่ข้าทาข้าทางเมื่อวานยังพูดยังยังชมท่านพระดาพระที่โกมอนมาดนะนะฮะโบคาตาลิก แต่คุณกันแต่เขาพิจารณาก็ไกลนิดเดียวครับแต่มาว่าเขาพูดได้คมกว่าที่พระพูดนะครพระพูดก่อนพระดาปทีบแล้วก็พระดาปีิพูดพูดนิดเดียวแต่พูดคมก็ว่บปัญหาว่าการศึกษาเราสามารถพัฒนาให้คนได้แยกแยะอันี้บาปบุญคุณโทษไหมอันนี้เป็นบาปนี่เป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษไหมนี่เป็นทางเสื่อมทางเยริณได้ไหมแล้วเขาแล้วเขาหยุดหยุดตัวเสื่มได้ไหม ผลสมเป็จจากการสามันต้องออกมาลักษณะ น, นั้นไม่ใช่เรียนอะไรต่ออะไรเอารุงรังบันเตแล้วผลวท้ายแก้ไม่ได้เป็นความเป็นความคิดที่เรียกว่าเป็นการสรุปที่ค ม, มนะะเาพูดสั้นมากนะพูดสั้นมากไม่ถึงสองนาทีพูดสั้นมา ก, มามากแต่พูดได้ดีมันทำความดีให้ถูกที่ที่ไหน ในความเป็นที่ในเราจะเห็น ม, มีเงื่อนไขมีกาละมีเทสะมีกลุ่มพลมี อ, อะไรเข้าเกี่ยวข้องเ ย, ยอะนะครับันชีตรงนั้นในหน้าที่ตรงนั้น น, น, น, นแล้วก็ทําความดีให้ถุกคนคนเราเนี่ยเป็นเป็นเป็นคนยังไงเรียกว่าอย่างที่เคยยกตัวอย่างนะครับเหมือนคนเดินเดินเนี่ยก็เดินก็แข็งแรงดีเราไปประคองประคองทําไมประคองก็ทําไมมันไม่มีเหตุผลในที่เข้าไปประคองไง คนประคองก็คือข้อเดินไม่เคยแข็งแรงเห็นว่าจะมีปัญหาจะหกจะลม้มก็ช่วยประคองก็ได้แต่ในกรณีนั้นไม่ได้เลยประคองไปเดียวก็โดนตกเลยจะวุ่นวายกับเขาอะลักษณะคล้ายๆกับเหมือนที่ปรมิหารนะปรมิหารว่าคนทั่วๆไปเราก็มีความรู้สึกเมตตาคนประสบความทุกข์รการาคาฬาคนได้ประสบความสำเร็จเราก็มู้ดทีตาคนเขาไม่มีปัญหาอะไรเราก็เฉยๆ ไม่อะไรวก็วังชิดเฉยคนไปสร้างข่าคนตายแล้วก็ติดคุกรูปร้อก็ลูกรอ้อเถอะมันก็เป็นไปตามกรรมของมันนี่คือคือการปฏิบัติธรรมะเรียกว่าถูกที่แล้วก็ถูกคนแล้วมาถูกกาลเวลานะฮะเวลาแม้ที่มันจะดีนะแต่เวลาไม่ให้เวลาไม่ให้เวลาตรงนี้ไม่ได้ จนสมมุติว่าเรานัดหมายอะไรกับใครไว้เอาสมมติจะยืมเงินจะใช้กันตอนเนี้บังเอีไปเจอลูกนี้กลางคนนะี่ยเสียปริษัทยุตาก็เสียนะถ้าขืนทวงตรงนั้นเราเสียเวลาสถานที่ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะตรงนั้นถ้าไม่มีคนนี่ยนะก็ทวงได้จริงๆตรงนั้นถ้าเราไปเจอกันตรงคนก็ทวงได้ไม่แปลกอะไรเห็นไหมแต่ว่ามันขาดปริษัทยุตากคนอื่นอยู่ด้วย เวลาเนี่ยมันไม่ให้รอหน่อยได้ไหมรอหน่อยว่าให้คนอื่นก็ไปแล้วค่อยพูดก็ได้เห็นนะฮะรอหน่อยนี่คือการปฏิบัติให้เหมาะสมบางทีเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องที่น่ารําคาญนนะอย่างคนมาหาท่านหรือว่ามาแ ม, ม้แต่มาที่ที่กุฏิอะไรกันมาถึงเดินรๆถึงทุก ป, ประตูกรุเกินไปอ่ะเกินไปเนี่ยฮะ รู้ว่าอยู่เขาเขากํากำลังทำอะไรรอหน่อยได้ไหมที่วันก่อนมาไปไปที่นครยังตอว่าตอว่าพระสั่งไวน้นเราก็บังคุยกับท่านจ้าคุณอาจารย์เนะี่ยขึ้นไปถึงกลาดเสร็จแล้วคุยกันทั้งสามประโยคนเะนี่ยผู้หญิงขึ้นไปโดนตัวตรงเลยนะเมียรัฐมนตรีนะยืนโดนตรงรนั่งอยู่ที่พื้นนะ่ะเราอยุต้งหกสิบสองแล้วอะ่ะอายุ ก, ก็แก่วกว่ามันนั้งเยอะเลย เดินมาตรงท่งเสียงลั่นเลยทรงเสียงลั่นแหละมายังไม่เจอนี่เจอแล้วก็จะต้องต้องพูดกับผัวมั็นรักเตียสอนเมียมึงไม่มีมันยากเลยหนูขึ้นไปได้ไหมขึ้นไปได้ไหมอะไรมันขึ้นมาแล้วอ่ะมันขึ้นมาแล้วรอหน่อยได้ไหมว่าพระเพิ่งขึ้นไปเราเรานั่งอันหลังให้เขาไม่รู้ว่าใครก็ะช่างเลยนะเดี๋ยวก็พระเพิ่งขึ้นไปรอรอหน่อยได้ไหมเดี๋ยวถ้าก็ลงมา ไอ้เนี่ย ค, คือคือคือลักษณะนะว่ามันขาดกาลันอยู่ต่มันไม่รู้จักกาลัปัญหาที่ไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดแลวตัวเองก็เสียก็เสียเครดิตไปเยอะเลยเป็นครูบาอาจารย์ด้วยนะแล้วเป็นเมียรล้วนตรีด้วยเป็นอาจารย์สอนในโรงเรียนด้วยมีปัญหาเยอะเลยเพราะงั้นทำความดีถูกชี่ทำความดีถูกคนทาความดีถูกกาละถูกกาละ แล้วก็ทำความดีให้ถูกดนะีดีจริงหรือเปล่าดีก็คือพอดีเห็นไหมคำว่าดีมันก็มีเหตุผลของมันมีธรรมมันอยู่ตามีอตถันอยู่ตามีมัดตันอยู่ตาเหตุผลเนี่ยมันต้องพอดีมากเกินไปน้อยเกินไปอะไร่างต่แล้วเราจะเห็นว่าบางทีมันก็เบีเ่ยงเบนประเด็นอนะย่างประเด็นป่าท่าชนะนี่แหละมาก็เป็นห่วงนะฮะน้องชายเป็นผู้ว่าอยู่ ยังไม่ได้เช็กรูกไปเยอะแล้วแต่ว่าเขาเพิงยายไปนะก็าเงยายไปก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรคือประเด็นที่เราที่เราเป็นเป็ัญหาว่ามีการตัดไม้จริงหรือเปล่าไม้นั้นถูกตัดอยู่จริงหรือเปล่าแล้วคนตัดมีสิทธิตามกฎหมายหรอท่านนั้นเองประเด็นมาอยู่ตรงนั้นต่เองพิสูจน์สองประเด็นท่านั้นเองอย่างอื่นเลิกพูดไม้มีจริงไม้กองเป็นภูเขาลอกา สูงลิฟบางอันในรายุูงยืนทุ่มหัวเลยเห็นจริงแต่ว่าก็ตรวจสอบอีกีว่ามีสิทธิ์ตัดไหมมีสิทธิ์ตัดหรือเปล่าตามกฎหมายมันมีสิทธิ์เปล่าถ้ามีสิทธิ์มันก็ไม่แปลกอะไรมันพิสูจกันที่ตรงตรงนี้มัเป็นตหารเรื่องอื่นไปพูดเล่นการเมืองใส่ร้ายไปสิพนอกเรื่องน่าเรื่องแต่นั้นนะะไม่มีเหตุผลตัวประเด็นเนื้อหาเนี่ยมันอยู่แค่นั้นเท่านั้นเองนะฮะแล้วไปพูดอะไรลองลองลองฟังสังเกตดู ที่เราพูดผลท้ายมันไม่ใช่ตัวเนื้อหาสพกร 4.01 มันก็มีลักษณะอย่างนั้นแล้วไ อ, อ้สพกรจำเป็นต้องมีก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่วิธีการจัดการวิธีการจัดการวิธีการได้มาจึ้งที่ดินคนที่ได้เนี่ย ม, ม, ม, มันมันมีคุณสมบัติหนึ่งสองามสี่เนี่ยมันก็ดูตรงนั้ น, นว่ามีสิทธิที่จะได้หรือเปล่าเพื่อการกเกษตรกรรมนะครับผ เราประกอบเพื่อการเกษตรกรรมคนนี้มีอาชีพเกษตรกรรมกฎกฎหมายก็จะบอกว่าเกษตรกรรมคืออะไ ร, ออะไรก็กฎเกณฑ์ตรงเนี้นั้นคือเหตุผลนั้นเป็นความเหมาะความควรมาลงตัวเขามันเองเป็นวิธีการท่านตังเทียนว่าเป็นเป็นวิธีการตรงนี้คือวิธีการของกฎหมายวิธีการกฎหมายจะไม่ใช่กระแสสังคมซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับศาสนาศาสนานั้นใช้ทานองครองธรรมเอาแล้วว่ากันไปธรรมะว่าอย่างไง วินัยว่าอย่างไรตรงนี้พูดปัญหาเรื่องปัญหาเรื่องวินัยวินัยว่าอย่างไงมันไม่ใช่นายกว่าอย่างไงนายขอว่าอย่างไงถ้าอย่างนั้นตายถ้าอย่างนั้นตายเลยเพราะคนเราเนี่ยมันมีความรู้อะไรตลอดสายในเรื่องเหล่านี้ยแต่แกพูดได้ทุกเรื่องไงนะแกพูดได้ทุกเรื่องจริงๆมันมีเงื่อนไขเข้ามาตั้งเยอะมันไม่ใช่ว่าเราจะพูดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้นอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่ได้หรอกเพราะงั้น เกณฑ์ก็กฎหมายคือเกณฑ์เรื่ยุติธรรมธรรมะคือนิติธรรมเนี่ยกฎหมายก็บัญญัติไว้อย่างนี้การกระทําอย่างนี้เขาไม่ดูว่าใครกระทาแต่ดูว่าการกระทําอย่างเงี้ยจะเป็นใครก็ะทำโจทย์ก็ตามจําเลยก็ะทำเขาเรียกโจทย์จํงเลยเขาไม่เรียกนายกรนายขอเห็นไหมเขจะใช้วิธีการที่จะหาความเป็นธรรมเพราะถั้งนายกรนายขอเอ๊ะมันพวกเราอันนี้มันศัตรูเราอันี้มันมันญาติเราอันนี้นี่มันเพื่อนของเพื่อนเออมันก็ยุ่งตายเลยอะ มันจะเอียงเกิดเกิดเอียงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเกณในการคิดนี่เขาจึงคิดจากการกระทํามองตีการกระทําแล้วก็สมมุติเรียกขึ้นมาผ่ายหนึ่งเรียกว่าโจทย์ผ่ายหนึ่งเรียกว่าจำเนียรผ่ายหนึ่งเรียกว่าพยานไม่มีคนนะฮะไม่มีคนแล้วก็หาว่าการเป็นธรรมนั่นกฎหมายว่าอย่างไงข้อเราก็คือทํานองของธรรมท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าสังคมไทยเรามีความขัดแยง้งไม่สูง เพราะว่ามันมีทรรนองของทธรเป็นเกณฑ์เมื่อก่อนนะไม่ใช่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ประชาธิปไตยจา๋ามันมั่วไปหมดเลยประชาธิปไตยนะโดนขบวนได้เผาบ้านเผาเมืองเผาที่ทยาการอำเภอได้แล้วขอให้อภยัยอย่าถือว่าเป็นความผิดประกอบวารยากรรมแต่ข อ, อย่าถือเป็นความผิดแล้วมันเรียกว่าประชาธิปไตยเป็นสติปัญญูจนไม่รู้อะไรนะครับคนร้ไม่รู้อะไรเลยนี่คืออะไรคือเราไม่มีเกณฑ์ก็ไม่มีเกณฑ์ของพระเจ้าท่านมีเกณฑ์เขาแค่นะั้น เกณฑ์ตรงนี้คือเกณฑ์ว่าอันนี้เหตุผลว่าอย่างไงเหตุเหตุตรงเนี้ผลมาต่อไปจะเป็นอย่างไงแล้วใครเป็นคนทำเห็นไหม ท, ทําด้วยการทํามันเหมาะคสมไหมถูกกาลเทศะไหมแล้วก็เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนบุคคลอะไรเราจะเห็นว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันผิดที่ทําดีผิดที่ทําดีผิดคนทําดีผิดการ ทำดีไม่ถูกดีทำดีไม่ถึงดีทำดีเกิน ด, ดีทำดีไม่พอดีไม่ดีงั้นแหละมันมีปัญหาในกรณีนั้นเห็นอาจารย์บูชาชายก็กมีปัญหาในกรณีนั้นทุกติในกรณีนั้นนั้นแล้วการจะกล้องตั้งตื่นในกรณีนั้นมันไม่ใช่ทุกกรณีแต่เป็นอะไรฮะพอมันเกิดช็อตมันช็อตเลยอย่างที่บอกเมกี้เนี่ยฮะว่าเรานั่งๆจะลุกขึ้นปรากฏว่าเอ็นมนกระตุกลุกขึ้นไม่ได้ ไม่ใช่มันปักก็ตกเหมดทั้งตัวหรอกมันก็ตกนิดเดียวแต่เราลุกขึ้นไม่ได้ธรรมะก็จะมีลักษณะอย่างนั้นพอถึงบุตรบทมันมีปัญหาเนี่ยมันมันดึงตรงอื่นมาด้วยดึงตรงอื่นมาด้วยคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆอาคารดังหลังเลยมันสุดอยู่เสานี่มันดึงเพื่อนเพื่อนสุดคล้ายๆกันนี่ยอะไรรอยันปราสาหันก่อนเนี่ยที่ที่โคราด่ไที่จริงไปดึงเสากลางออกไปดึงเ้ากลางออกพนนั่นเองดึงเสากลางออกเลยสองเสา มังกรลุบหลุดแ น, นี้เลยเลยพังหมดทั้งหลังคนตายด้วยนะเลยหลงพวกขูมก็ดังตั้งแต่วันนั้ น, นอะไรนี่ก็คือก็คือสิ่งที่ ม, ม, มันมันเกี่ยวเรื่องกันว่าธรรมะที่จริงนี่ที่พระเจ้าทรงทร ง, สงสแสดงในจัดหมวดหมู่เป็นการสแสดงหมายความยังไงหมายความว่าสิ่งเหล่านั้นที่จริงเขาก็มีอยู่แล้วพระเจ้านํามาสแสดงว่าคนดีต้องมีครบตรงนี้นะตัวนี้ต้องครบทั้งจุด แต่บางทีเนี่ยมันมันก็เรียกว่าตามกรณีตามกรณีเช่นเช่นสี่ห้าเห็นไหมตามกรณีกรณีชีวิตก็งดเป็นปานาธิบาตอย่าปานาธิบาตนะกรณีทรัพย์อยาทินาทานนะกรณีคู่ครองอย่ากาเมีนะกรณีติดต่ออย่ามุสานะกรณีสิ่งเสียติดอย่าไปยุ่งเป็นกรณีการนีไป ไม่ใช่ถือครบทีเดียวตั้งๆั้ตั้งตั้งห้าข้อหรอกจริงเวลาเราเราปฏิบัติเราปฏิบัติทีททละข้อนะฮะศีนไม่จะเท่าไรก็ตามในกรณีนั้นๆเนี่ยมันก็คือกรณีนั้นๆไม่มีใครสามารถจะล่วงละเมิดได้หมดทุกข้อแต่ถ้าเราล่วงละเมิดเราก็ผิดสีนผิดสีนก็กลายเป็นผิดสีนหมดทั้งทุกข้อถูกตาหนิก็ก็ว่ากันไปเรื่อย que. เวลาปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าเราพลาดสักจุดมันก็คือพลาดแล้วจะดึงส่งอื่นให้เสียตามไปด้วย ด, ดูตัวอย่างง่ายๆนะอาหารเกิดอาหารทําดีเลยพอดีจึงจกลงไปตายตัวทั้งหมดเลยทั้งทั้งกระทเลยตั้งที่จริงหมดแตงกวะเหนะ็นไหมเป็นที่จริงมันธรรมชาติธรรมดาธรรมชาติธรรมดาว่าจุดเสริมจะเน้นที่ความสมบูรณ์ในความสมบูรณ์นั้นถ้ามีจุดบกพร่องสักจุดเกิดมีปัญหา เกิดมีปัญหาทันทีแล้วก็สิ่งทั้งหลายโดยธรรมชาติกรมนั้นท่านลอสังเกตว่าการสร้างเนี่ยจะยากจะเสียเวลาจะอะไรจะเริ่ดทลายนี่จะง่ายลายจะง่ายวันนี้ตึกระเบิดอเมริกาก็าระเบิดตึกถึง2ี่สิสชั้นเนี่ยนะบ่มเดียวนะลงเลยวางระเบิดเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุ ด, จ ด, จดไว้แล้วจุดระเบิดพร้อมๆกันก็เสร็จแต่ถ้าสร้างใช้เวลาหลายปีเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงสอนเรื่องความอดทน เนไหมสรุปประทุกเรื่องไม่ต้องอดทนนะต้องอดทนเพราะมันไปเกี่ยวกับอารมณ์ข้างนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งปริสัทยุตากับปรโกโลโป ร, ราชินาคือคนอื่นคนอื่นก็กลุ่มอื่นเขาคิดยังไงเขารู้ยังไงคนนึกยังไงเราไม่รู้เราอาจจะปรับได้แต่พอรายละเอียดไม่ใช่ธรรมดานะเมื่อความมากลุมคนมากๆ ม, มันถูกใจคนเยอะแต่คนคนหนึ่งมันเกิดไม่ถูกใจกัน มีคนมันไส้กับคนสองคนเราก็มีปัญหาทั้งแอันนี้คืออันนี้คือกลายเป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องใหญ่ทํำยังไงตึงจะทําได้ถ้าเอาไว้จริงๆถ้าเราคิดสมบูรณ์เราทําไม่ได้พุทธเจ้าก็สอนใ้รับผิดชอบตัวกรรมเราเองเราทําให้ถูกต้องไปแล้วกันนะคนอื่นเขาว่ายังไงนั้นเราไม่มีทางไหยนะเพราะพุทธเจ้าเองอยังถูกด่าไอ้แม่พุทธเจ้าเองจะถูกดา่าังถูกตำหนีทีเดีย อย่างที่กติใเราก็คมนะฮะอเนินทากาเลมันเทน้ำไม่ชอบช้ำเหมือนมีดเป็นกีรีดแม่องค์พระปติมายังรากรินคนเดินดินหรือจะพ้นคนอนินทามันมันมันเป็นไปไม่ได้หราเรารับผิดชอบเฉพาะกรรมของเราเท่านั้นเป็นการเน้นหนักเรื่องการใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาแล้วก็เมื่อเรารู้สึกว่าเราทําได้ถูกต้องแล้วรายปลีกย่อยเขาจะว่ายังไงนั้นเป็นเรื่องของเขาเป็นลักษณะของอารมณ์ แต่เรานั้นยุติด้ดยธรรมก็เป็นการเียงพอแล้วนะถ้ามันอยู่สูตรในวันนี้ก็ขอยุติไว้ได้เวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วการทุกท่านคือ